ส่วก่อไปนี้ไม่ต้องระบาดคือหกร้บห้าหนึ่งภิกษุกำหนดชนิดจีวรกับช่างหูของญาติสภิกษุกำหนดช้นชนิดจีวรกับช่างหูของคนปวารณา3าภิกษุกำหนดชนิดจีวรเพื่อภิกษุอื่น 4. ีภิกษุกำหนดชนิดจีวรด้วยทรัพย์ของตน 5. ครหัสธ์จะให้ทอจีวรราคาแพงแต่ภิกษุให้ทอจีวรราคาถูก6กภิกษุวิกลจริต พภิกษุต้นบัญญตัติมหาเปสการสศกขาบทที่เจ็ดจบ